50แปดสิบเย็นบัดคำคุณศัพท์3อดีตมูดีมูนตเธอมีสุนัขหนึ่งตัวอวลิม่มอวรน้อยอิริขิระดุสุนัขตัวใหญ่ அந்த ந บน பெரியதாக இருக்கிறது เ, เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวอวัி ட ดม์อุรุปเปรีย ய ் இருக்கிறது เธอมีบ้านหนึ่งหลัง อ, ว, อวัอு க ் க ு ஒரு வீடு இருக்கிறது บ้านหลังเล็ก வீடு ச ி ற ิยเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง அவளுக்கு ஒ อ, อ, อ, อு ச ிใி ய வீடு இருக்கிறது เขาพักอยู่ในโรงแรมร่งแห่งโรงแรมราามาลีวานั่นเองเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกเขาพักอยู่ในโรเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกเขาพั e อยู่ในโรงแรมราคาถูก เขามีรถหนึ่งคันเขาหนีดมวูร์มอเตอร์วันดียิ่งขี้ร ร, รถราคาแพงอา ด, ดวิเลย์วูยันต์ดวเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันเขาหนีดมวูวิเลย์วูยันต์ด์มอเตอร์วันดียิ่งเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง அவன் ஒரு ந อ வ ல น ப ட ி க ்ีி ற ா ன ்นิยายน่าเบื่อนวนอสวรรษีม้อนให้ริกิรดึกเขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องอวันวอร์อสว ய ம ா ன நாவல் படிக்கிறான் เธอดูหนังหนึ่งเรื่องอวันวอร์ซีนิมาพ்ร์ท்่อนเด இ ர ு க ் க ி ற ாอ் หนังน่าตื่นเต้นซีนิมาปาระเบร์ปูตุวดาห์ิ่ึกระดเธอดูหนั ง, น, งน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่องอาวัยวันปร์เรบาร์ปูตุมซีนิมาปอร์ตคุนด์อิ่ขึ้นกระดุรุณาไปที่ www. b o o k t o de